ขอนอบน้อมต่อคุณพรตัตนาตรัยโอกาสอาจารย์นรงวิทย์อาจารย์ทรงศินป์เพื่อนสัตยมิกทุกท่านจเจริณธรรมแีชีและญาติธรรมทุกท่านคนเรานี้มักจะนึกว่าความตายเป็นของไกลตัวเพราะว่ายังไม่เห็นว่า ความตายนั้นจริงๆแล้วเป็นของใกล้ตัวนะเช่นเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ต้องตายเนาะก็เหมือนกับมัจจุราชที่ตามเราอยู่ตลอดเวลานะแต่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้นะถึงมัจจุราชที่ตามเรามานะเราก็เลยประมาทกันนะไม่ทำความดีนะไม่ชำระกิเลสของเรานะเพราะนั้น ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเน้นนะแล้วก็เป็นหัวข้อธรรมที่ท่านจะแสดงอยู่บ่อยๆนะเพื่อให้เราไม่ประมาทในตรงนี้ในสมัยหนึ่งพระเจ้าก็เดินทางไปที่เมืองอาราวีนะไปแสดงธรรมให้ชาวอาราวีฟังในเรื่องของมรณานุสติ ตรงแสดงว่าถ้าผู้ใดเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำนะก็จ ะ, ะเป็นผู้ที่ไม่กลัวตายนะเป็นผู้ที่ไม่มีความประมาทนะแล้วก็จะมันทำแต่ความดีนะชำระกิเลสให้น้อยลงนะแล้วก็การระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะก็จะทําให้เป็นผู้ที่เข้าถึงทำได้เร็ว แล้วก็สามารถที่พ้นทุกได้เร็วขึ้นยิ่งทายเจริญได้ตลอดทุกลมหายใจเขาออกก็เป็นการที่ดีมากใ น, <c oughs> ในขณะที่ทรงสแสดงธรรมนั้นก็มีทิดาของช่างหูอยุสิบห้าปีก็รับฟังอยู่ด้วยแล้วก็พอฟังแล้วนะก็หลังจากนั้นก็นำไปประดัตตามเป็นเวลาสามปี จนจิตใจมีความสงบเยือกเย็นนะไม่กลัวต่อความตายนะจิตมีกาลังในการที่จะทำความดีอยู่เสมอต่อมาพระพิจาก็ได้ทรงเร็งพยานนะว่าจะไปโปรดผู้ใดดีนะคือในตอนเช้านี้พระพจจาจะเร็งพยานอยู่เสมอว่าวันนี้จะไปโปรดผู้ใด ก็ปรากฏว่ามีธิดาช่างหูกนี่แหละเข้ามาอยู่ในพยานพระเจ้าพระพุทธ เ, เจ้าจะจิงเล่ยทงเดินทางไปถึงสามสิบโยชนะไปเมืองอาราวีเนะี่ยเพื่อจะไปโปรดธิดาช่างหูกโดยตรงนะเมื่อเดินทางไปถึงแล้วนะก็ข่าวนี้ก็แพร่ไปนะจนธิดาช่างหู ก, ก็ได้รับทราบข่าวนี้นะก็อยากจะเดินทางมาเฝ้าพระเจ้าทันที แต่ว่าวันนั้นปรากฏว่ามาไม่ได้เพราะว่า <c oughs> บิดาได้สั่งไว้ว่า <c oughs> วัด น, นี้จะต้องรีบกรอได้ให้ทันนะกรอได้ให้เสร็จในวันนี้เลยและให้รีบนำไปส่งที่โรงทอผ้าเพราะว่าจะต้องใช้ในวันนี้ด้วย <c oughs> ทิดาช่างหูก็ต้องต้องปฏิบัติตามนะแต่ว่าจะต้องรีบทำ พะแม่งก็จะไปฟังไม่ทันนะเมื่อผู้เจ้าได้มาถึงที่เมืองนั้นแล้วเนี่ยก็รอธิดาช่างหูกอยู่ก็ไม่ยังเห็นว่ายังไม่มาก็เลยยังไม่แสดงธรรมนะเพราะว่าตั้งใจที่จะมาโปรดธิดาช่างหูกนี้โดยตรงนะชาวเมืองก็เลยรอฟังด้วยนะจน ท, ทั้งธิดาช่างหูกได้กรากได้เสร็จแล้วนะก็เลยรีบเดินทางมาเฝ้าผู้เจ้า หลวงพ่อเจ้าได้ทรงเห็นอาทิดาช่างหูกเดินทางมาถึงก็เลยถามว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่าเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าค่าเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่า ชาวเมืองได้ฟังเช่นั้นก็รู้สึกไม่พอใจนะแล้วก็นึกตำหนิอยู่ในใจว่าอทิดาช่างหูผูนี้ชะไหนจึงกล้าอตอบพระเจ้าด้วยคําเล่นลิ้นเช่นนั้นนะการความคิดของชาวเมืองเช่นนี้ก็เข้ามาสู่ <c oughs> รับรู้ในใจของพระเจ้าได้นะพระเจ้าก็เลยให้อทิดาช่างหูให้ตอบอไนะขความากระจ่าง มาตอบเช่นั้นเพราะเหตุอะไรทิดาชังหูมก็เลยให้ความมาจากมาว่าที่ถามว่ามาอย่างไหนหรืออตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าเพราะว่าไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาติปีบันนี้ได้เคยเกิดเป็นกําเนิดใดมาก่อนที่ตอบเช่นั้นก็หมายความว่าภูมินั้นก็มีอยู่ถึงสารเลพภูมินะทิดาชังหูก็ไม่ทราบว่าก่อนที่มาเกิดนี่แหละ นะอยู่ในภพภูมิไหนมาก่อนนะเพราะว่าภพภูมิก็มีในอบายภูมิก็มีอนะสัตว์ได้ชานเปตอสุรกายสันนโลกนะในสุติภูมิก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะก็ไม่ทราบว่ามาจากภพภูมิใดนะจึงตอบไปเช่นนั้นแล้วก็ถามวา่าเธอจะไปไหนถ้า <c oughs> ไม่ทราบพระเจ้าค่าหมายความว่าที่ไม่ทราบก็คือว่า เมื่อสิ้นที่หรือตายไปจากในโลกนี้แล้วในปัจจุบันในชาตินี้นั้นอาจจะไปเกิดในภพภูมิใดนะก็ไม่อาจจะทราบได้เหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าเธอไม่ทราบหรือตอบว่าทราบพระเจ้าข้าหมายความว่าเธอทราบแล้วว่าจะต้องตายแน่นอนในชาตินี้นะจะหลีกเลี่ยงความตายไปไม่พ้นะแล้วถามว่าเธอทราบหรือ ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้ า, ยายข้าที่ไม่ทราบก็ไม่หมายความว่าไม่ทราบว่าจะตายวันใดเวลาใดและตายที่ไหนพนะระพุทธเจ้าก็ได้เลยทรงสาธุ ท, ท, ทุกคําตอบที่ที่ดาช่างหูได้ไขความมาจากในครั้งนี้เราก็เป็นที่เข้าใจของชาวเมืองอรารวนะีชาวเมืองอรารวีก็เกิดความพอใจเกิดความินดีนะในคําถามและคําตอบเหล่านั้นนะแล้วก็ได้อ่า เข้าถึงธรรมในระดับ1 น, นะหลังจากนั้นพระพเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมนะให้กชาวเมืองและธิดาช่างหูกได้ฟังนะหลังจากนั้นในวันนั้นเองธิดาช่างหูกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เดินทางเ อ, า, อาได้ที่กรอแล้วเนี่ยไปส่งที่โรงทอผ้านะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะเนื่องด้วยกระสวยนะที่โรงทอผ้านั้นพุ่งมากระแทกที่หน้าอกอย่างแรง โดยอบัติเหตุทำให้เลือดไหลภายในและภายนอกไม่หยุดนะก็ถึงแค่ความตายในวันนั้นเองนะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าธิดาช่างหูกได้เจริญมรณสติอยู่แล้วก็ไม่กลัวความตายนะแล้วก็ตายด้วยจิตใจที่สงบนะแล้วก็น้อมรับความตายนั้นันะจิตใจนั้นก็บรรลุพระโสดาบันอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปสู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นยิ่ ง, งขึ้นไป อันนี้จึงเห็นว่าที่ได้ช่างหูกนี้นะได้เจริญมรณาสตินี้จนเกิดประโยชน์กับตัวเองนะแล้วก็จากประโยชน์นี้ก็เลยเข้าขายพยานของพระเจ้าที่เดินทางมาโปรดในครั้งนี้ได้นะจึงว่ามรณาสตินี้จึงเป็นหลักธรรมใหญ่นะที่พระเจ้าก็จะเน้นอยู่เสมอนะแม้แต่ในบทสวดมนต์ของเราก็จะมีบทนี้อยู่เป็นประจานะให้พิจณาสัง ข, ขารบ้างต่าง นะว่าเป็นของที่ว่าไม่เที่ยงเป็นความทุกขนะ์เป็นของหน้าตานะเป็นสิ่งที่ว่าเกิดระดับนะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะให้เราพิจารณาอยู่เสมอนะแต่ในเรื่องของอนุสติสิบนะก็จะมีบทมรณสติอยูนะ่คือให้พิจาณามรณสติเป็นอารมณนะ์เพื่อที่จะให้เราไม่ประมาทนะ การประมาทนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตือนไว้ในปัจฉิมวานะ่าว่าดูก่อนพิสูจน์ทงหลายเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถธอนะอันนี้ก็คือคําเตือนคําสุดท้ายนะที่ว่าได้ทรงเตือนว่าอย่าได้ประมาทเถิดนะคาประมาทก็คือประมาทในความที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่นั่นเองนะก็เลยจะต้องมันขวนขวายในการที่จะ อ่าชัระกิเลสของเรานี่ให้ลดน้อยลงจนทั้งถึงที่สุดนี่ก็คือการเตือนภิกษุทั้งหลายนั่นเองนะหรือแม้แต่ได้เคยทรงถามพานนท์บอว่าดูกอานอนท์เธอละลึกถึงความตายวักี่ครั้งพานนท์ก็ตอบว่าข้าวงละลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่ายังน้อยไปอานอนท์อ่าตถาคตละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แม้แต่พระเจ้าก็ยังทรงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเลยนะเราพวกเรานี้นะได้ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกันแน่นะอืหรือแม้แต่ได้เคยทรงถามภิกษุ <c oughs> ในเวลาที่อฉันพัะตาหารกันอยู่ว่าผู้ใดระลึกถึงความตายเวลาไหนบ้างนะบางองค์ก็ตอบว่าระลึกถึงความตายหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วนะหรือระลึกความตายอ่า ในเวลาชันไปครึ่งหนึ่งนะแต่พระองค์ก็ได้ตอบว่าระลึกถึงความตายทุกๆคำข้าวนะพระพระเจ้าก็เลยทรงตัดสรรเสริญว่าผู้นั้นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทนะสำหรับผู้ที่ระลึกถึงความตายทุกๆคำข้าวอันนี้เราจรึงจะเห็นว่าพระพุทเจ้านี้ก็ให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะนั่นแหละก็คือความไม่ประมาทนะเมื่อเราระลึกเช่นนี้แล้วนะเราก็จะมี มีสติว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะเราจะต้องไม่ทำอะไรต่อไปนะและเราจะต้องทำอย่างไรจึงเป็นประโยชน์ที่สุดในชาตินี้นะอันนี้ก็คือว่าไม่ห ม, มากนั่นเองนะเพราะนั้นผู้ใดที่เจริญมโนสติแล้วนะก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนเอาไว้นะแต่ส่วนมากคนเรานี้ก็จะไม่มีความคิดเช่นนั้นนะก็จะคิดว่าเราเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาว นะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะนะเป็นคนที่ยังไม่ถึงกับความตายง่ายๆนะแต่นั้นนั่นหละก็คือความประมาทนั่นเองนะเราไม่รู้หรอกว่าความตายจะมาเมื่อไหร่แล้วนะเราไปเข้าใจเช่นนั้นนะเมื่อความตายมาถึงแล้วนะเราก็จะนะตกกระใจนะเกิดความหวาดกลัวนะเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าหมองเกนะิดความว้าเวเกนะิดการขาดที่พึ่งที่ระลึก นะก็จะทำให้จิตเศร้าหมองนะเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วนั้นนะก็คือนะทุกขติเป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนนะเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่านะจิตเตสังเเถทุกขติปาเดียงขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้นะทุกขติก็คือนะสันเดฉานแปดสุกายสันนรกนั่นเองนะ เพราะนั้นคนที่มีความกลัวความตายนะมีความตกใจนะมีความหวาดหวัว่นนะก็จะเกิดจิตเศร้าหมองขึ้นนะเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเนี่ยก็จะนำเหตุให้ไปสู่อบายภูมินั่นเองเนาะตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่านะถ้าคนที่จเจริญมรรคสติอยู่เสมอก็จะไม่กลัวความตายเช่นนั้นนะก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะการที่เราตายก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะเป็นเหมือนกับว่าเราแค่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะเพราะนั้นใครที่ทำความดีอยู่เสมอนะนะไม่ค่อยจะทำบาปนะแล้วก็หมัน่นเจริญสติอยู่เป็นประจำนะจนเข้าใจนะในส ภ, ภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะในทางร่างกายและจิตใจผู้นั้นก็จะไม่กลัวตายนะ เมื่อความตายเกิดขึ้นก็จะตายด้วยความสง่างามนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ไม่ดีนะจิตใจนี้ก็มีที่พึ่งอยู่แล้วนะมีสติเป็นที่พึ่งนะมีบุญกุศลมีที่พึ่งเราก็ไม่หวาดบั่นะซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่ทําความชั่วอยู่เสมอนะไม่เคยเจริญสตินีจิตก็จะหวาดบันความ นะกลัวแต่วความตายนะยิ่งความตายกระทันหันเนะจอบตดเหตุบ้างนะจากการฆาตกรรมต่างๆบ้างก็จะเกิดการตกใจนะเกิดความกลัวเกิดความหวดวั่นนะในความหวาดหวันนั้นก็จะทำให้จิตเศร้าหมองนะเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วก็ไปสู่อาแบภูมินะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีนะ <c oughs> เพราะนั้นในตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่า เราจะทําอย่างไรนะให้จิตเราไม่เศร้าหมองนะหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่นะที่จะจากเราไปเราจะทําอย่างไรให้ท่านจิตไม่เศร้าหมองนะบางคนนี้พอญาติผู้ใหญ่จะจากไปก็ไปร้องไห้ให้เขาเห็นนะร้องไห้ร้องขมร้องไห้อยากจากไปเลยจากไปแล้วลูกหลานจะอยู่อย่างไรนะนะหรือนะ อ, อยากพึ่งจากไปเลยนะมรดกก็ยังไม่แบ่งกันเลยนะ ท่านาตาด้วยความสงบตาเลยเบิกเบิกโครงเลยโอ้เรานี่ยังไม่แบ่งมรดกเลยนะเราไปในลูกหลานนี่จะท ะ, ทะเลาะกันขนาดไหนนะท่านก็เลยจากไปด้วยจิต ท, ที่ไม่สงบนะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าไม่ควรจะทำนะตรงนี้เราต้องมีการประชุมตกลงกันในหมู่ลูกหมู่หลานก่อนว่าเวลาญาติผู้ใหญ่จะจาไปนี้เราจะต้องวางตัววางใจอย่างไรนะนะทาอย่างไรให้ท่านไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใย ในลูกในหลานเรานะอย่าไปลองไห้ให้ท่านเห็นนะก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องตกลกงกันก่อนหรือแม้แต่ในร่างกายของท่านเวลาที่ท่านจะจากไปนี้นะถ้ามีสายลอยงลายางกันเยอะแยะนะท่านก็คงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกนะมีทั้งสายน้ำเกลือสายให้เลือดนะหรืออาจจะสายหลอดอาหารเข้าไปในทางจมูกนะต่างๆเยอะแยะนี่คงจะทําให้ท่านอาจจะลาคาญด้วยนะอ่าตรงนี้นะ บางท่านก็บอกว่าให้เอาออกไปเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะในท่านจะจากไปแล้วนะก็ให้าจากไปด้วยร่างกายที่ไม่มีเวทนามากก็แล้วกันนะหรือถ้าเราเห็นว่าท่านจะจากไปด้วยดีแล้วก็อย่าไปกระตุ้นกลับมานะเรื่องนี้ก็เคยมีเรื่องเล่าที่อาจารย์ไปสานเล่าเมื่อคราวก่อนนะบอกว่ามีมีนายแพทย์คนหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่อเมริกานะวันหนึ่งก็ อามานดาก็กําลังจะเสียทางยายพี่น้องก็เลยโทรไปตามนายแพทย์เพนั้นกลับมาเมืองไทยเมื่อนายแพทย์เพือนั้นกลับมาถึงแล้วก็ปรากฏว่ามานดาเพิ่งจะตายไปหยกๆนะอนายแพทย์เพื่นั้นก็เลยไปกระตุนหัวใจนะไปทุบหัวใจกระตุ้นหัวใจเพื่อที่จะให้หัวใจทํางานอีกครั้งหนึ่งนะโดยการกระตุ้นของนายแพทย์นั้นอมานดาก็เลยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมานดาก็ถามว่าอ ลูกเรียกแม่กลับมาทำไมหรือนะแม่ได้ตายด้วยความสงบแล้วนะแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วแม่กำลังเดินทางไปที่แสงสว่างนั้นนะแต่ลูกก็เรียกแม่กลับมาอีกนะแม่ก็เลยถามว่าลูกจะเรียกแม่กลับมาทำไมนะนายแพทย์คนนั้นได้ยินเฉะนั้นก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะทําให้แม่ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วท่านก็น่าจะไปได้ดีในตอนนั้นแล้วนะอันนี้จึงว่าเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจว่าถ้าท่านไปดีแล้วเราก็อย่าไปนําท่านกลับอีกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรากลับจะทำให้ท่านเนี่ยได้ประสบกับสิ่งบางอย่างที่จะทำให้จิตไม่สงบในขณะที่จะจากไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะซึ่งการที่จากไปโดยจิตที่ไม่สงบนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าจะต้องไปเกิดใน นะพวบคุมที่ไม่ดีนะอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีนะก็มนะีพระนางมาริกาเทวีนะก็เป็นนะมาเฮสีของพระเจ้าประสนทิโกศล น, นะพระนางมาริกาเทวีนี่ก็ทำบุญทำกุศลมาตลอดนะก็เคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยนะปรากฏว่าตอนก่อนจะตายก็ไประลึกถึงบาปที่ตัวเองทำเอาไว้นะก็เลยต้องไปลงนรกอยู่เจ็ดวัน นะตอนนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็รู้แล้วล่ะก็อยากจะมาอยากจะมาถามพระเจ้าว่าพระนางเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรนะพระเจ้าก็รู้แล้วว่าจะมาถามในเรื่องพวกนี้นั่นแหละนะแต่ก็เลยก็เลยทรงบันดาลให้ลืมไปในการมาถามทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าตอบว่าพระนางไปเกิดในนรกแล้วเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็จะหมดสุัทธานในพื่อศาสนาก็ได้นะเพราะว่าทําความดีขนาดนี้ก็ยังต้องไปเกิดในนรกอีกแต่นี้ก็คือเป็นหลักเป็นกฎแห่งกรรม นะคือหลักความจริงของกรรมนั่นเองครั้นี้นะํะพอพ้นเจ็ดวันไปแล้วพระนางมาริกาก็ไปเกิดบนสวรรค์นะครั้นี้พอหลังจากนั้นนะพระเจ้าเปรสโคสัน ก, นก็มาถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ลืมไปทุกครั้งเลยว่าจะถามพระนางมาริกาเทวีว่าไปเกิดเปไ็นอะไรมาบัด น, นี้ก็เลยนึกได้ก็เลยมาถามว่าพระนางบัด น, นี้ไปเกิดเปไ็นอะไร พระเจ้าก็เลยส่งต่อว่ามหาประพิธท่านไม่ต้องวิตกกังวลหรอกขณะนี้พระนางมริกาเทวีได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เลยบอกว่าเออข้าพยงก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะอันนี้เราจรึงจะเห็นว่าแม้แต่พระนางมริกาเทวีที่ทําบุญไว้เยอะนะทำกับผู้เจ้าด้วยแต่ว่าจิตที่ไปร ะ, ะลึกในบาปกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ก่อนตายนั้นนะก็ส่งผลให้ไปเกิด อันในใบภูมิได้นะเพราะเรน่องการที่เราม า, มาฝึกเจริญสติกันนะก็คือให้เราสามารถที่จะระลึกได้อยู่บ่อยๆนะว่าความคิดของเรานี้ไหลไปในทางใดถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดอยู่เสมอรนะะลึกได้อยู่บ่อยๆนะก็จะไม่ไหลไปคิดนะในทางที่ไม่ดีไนะหลไปคิดในทางที่เป็นอกุศลนะหรือไหลไปในอกุศลทั้งปวงเช่นความโลภความโกรธความหลง นะเมื่อจิตมีกำลังที่จะไม่ไหลไปในทางนั้นนะจิตก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปุตตินะหรืออยู่กับกุศละกักรรมได้นะก็เป็นการฝึกให้จิตไม่ไหลไปในทางที่ไม่ดีนะอันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในก่อนตาย <c oughs> นะในการที่ว่าเราจะไม่ไปละลึกในสิ่งที่เป็นบาป ท, ทั้งปวงนะกลับมาสู่นะจิตที่เป็นกุศลแทน นะอันนี้ก็จะนำให้เราไม่ไปสู่ภพชาติที่เป็นอายภูมนะก็จะตรงกับที่นะที่ดาช่างผูกได้ตอบเอาไว้ว่านะจะไปไหนไม่ทราบเจ้าข้าก็เพราะว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดในกับเดินไหนนั่นเองนะต่อมาพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าจิตเตอสังกเกตเถสุขติปาเตียงขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วเนี่ยสุติก็เป็นดันวางได้นะ อันนี้ก็คือผู้ที่มีจิตที่ไม่เศร้ามองก็คือจิตที่ไม่ไประลึกถึงอวุโสทั้งหลายนั่นเองนะถ้าไปลึกลึ ก, ล ก, ลกถึงอวุโสแล้วก็ไปสู่อบายภูมินะแต่ถ้าเราจิตไม่เศร้ามองอเกิดความผ่องใสก็ไปสู่สุขติภูมินะก็คื อ, อเกิดมาใหม่นะเราก็มีโอกาสเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมนะหมน่เลยจะถึงพระนิพพานไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเหตุว่าในสมัยพุทธกาลนี้แม้แต่ พระที่ปฏิบัติอยู่กับผู้เจ้าแท้ๆนะก็เมื่อจิตเศร้ามองก็ยังไปสู่ใบภูมิได้เลยนะนะเพราะว่ามีพระองค์หนึ่งนะก็มนะีได้รับจีวรใหม่มานะก็เลยนะมีความยินดีมีความพอใจในจีวร น, นั้นนะเกิดความยึดติดในจีวร น, นั้นนะแต่ว่าเกิดนะเป็นลมตายอย่างกระทันหันนะด้วยจิตที่ไปยึดติดนะ ในจีวรนั้นนะก็เลยเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นนั่นเองนะพระเจ้าได้ทรงทราบเหตุ น, นี้ก็เลยบอกว่าบอกกับพิกตุทั้งหลายบอกว่าในระยะ7วันนี้อย่าให้ผู้ใดไปแตะต้องจีวรนั้นนะเพราะว่าถ้าไปแตะต้องแล้วเนี่ยก็จะทำให้เลนนั้น เ, เกิดโทสะ เ, เกิดความหวงนะเลนนั้นก็จะตายแล้วไปลงสู่นรกนะแต่เลนนี้มีอายุแ ค, ค่า7วันเท่านั้นนะ หลังนั้นก็จะไม่เป็นไรแล้วนะหลังจากเจดวันก็นําจีวรไปใช้ได้นะอันนี้เราจึงเห็นว่าแม้แต่เป็นพระภิกษุนะก็ยังมีโอกาสที่จะไปสู่ใบภูมิได้อย่างไงได้นะจากการที่จิตที่ไปยึดเกาะในสภาวะต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะความความหวงนะความยึดเกาะนั่นแหละคือความที่เรามีจิตไปผูกพันนะ เมื่อผูกพันแล้วจิตก็เลยเศ้าหมองนะเมื่อจิตเศ้าหมองก็ไปสู่ใบภูมินั่นเองในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็เดินไปบินทบาตนะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะก็ได้พบกับลูกของเศรษฐีนะแล้วก็เมื่อพบแล้วพระเจ้าก็เลยส่งย่ำสวนนะส่งย่ำสวนก็คือยิ้มเล็กน้อยนั่นเองนะพระนนท์ก็ได้อ่านะ เห็นการย้าสวนนั้นนะก็เลยสงสัยว่าเพราะเหตุไรในะเมื่อบิบ่ายกรรมมาแล้วพระนนก็ได้ถามในเหตุสงสัยนั้นพระเจ้าบอกว่าอที่เดินผ่านบ้านเศรษฐีนั้นนะแล้วก็ที่ทรงย้าสวนนั้นก็เพราะเหตุว่าอาบิดาของเศรษฐีนั้นนะบัดนี้ได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านเศรษฐีนั้นนั่นเองนะ เมื่อข่าวนี้แพร่ไปก็ได้ไปเข้าหูของลูกชายของเศรษฐีลูกชายของเศรษฐีก็เลยเกิดความไม่พอใจนะว่ามาว่าบิดาตัวเองว่าไปเกิดเป็นสุนัขได้อย่างไรนะก็เลยเดินทางมาเฝ้าพระเจ้านะแล้วก็มาถามพระเจ้าเช่นนั้นพระเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้เราลองมาพิสูจน์กันก็แล้วกันนะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้นําลูกสุนัขนั้นนะไป ไปอาบน้ํานะแล้วก็ไปเลี้ยงดูอาหารอย่างดีนะแล้วก็รูปรูปร่างแล้วก็ถามว่าพ่อพ่ อ, พ, อพ่อฝังสมบัติไว้ที่ใดนําลูกไปหาด้วยนะเธอกล้าทําเช่นนี้ไหมลูกชายเศรษฐีก็รับคำนะแล้วก็ไปไปฏิบัติตามนะปรากฏว่าเมื่อทำเช่ น, นั้นแล้วนะลูกนักก็เลยอพาไปที่ฝังสมบัตินะแล้วก็มือตะกุยตะกุยนะ ลูกชายเสติก็เลยให้คนใช้ขุดก็ปรากฏว่าเจอสมบัติจริงๆนะแล้วก็หลังนั้นก็เ ล, เลยเข้าใจว่าคงเป็นบิดาจริงๆนะพ่อบิดานี่คงอจะฝังสมบัติเอาไว้นะแล้วก็ไม่ทันได้บอกตัวเองนะก็เลยเกิดตายไปนะด้วยจิตทีนะ่เป็นห่วงในเรื่องว่ายังไม่ได้บอกสมบัติกับลูกนะเกิดความยึด ต, ติดในตรงนี้ก็เลยเกิดมาเป็นลูกสุนัขในบ้านของตัวเองนั่นเองนะ พอลูกชายเศรษฐีทราบเรื่องเช่นนั้นก็เลยกลับมาขอขมาต่อพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าจิตมีความผูกพันมีความหวงนะนะเกิดความยึดมั่นในตรงนั้นจิตก็เลยไม่ได้ไปไหนนะในที่สุดก็กลับมานะเกิดในภพภูมิที่นะ ในทางไม่ดีอยู่ในบ้านตัวเองนั่นเองนะบางทีตรงนี้ถ้าเราต้องระวังนะบางทีครูบาอาจารย์บอกว่าเออบางทีตุ๊กแกรหรือสัตว์อะไรในบ้านเราอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเรามาเกิดใหม่ก็ได้นะหรือแม้แต่สุนัขนะบางคนไปเลี้ยงสุนัขด้วยความผูกพันผูกพันมากๆนี่ก็ไม่ดีนะเกิดจิตเราก่อนตายเราไปผูกพันกับสุนัขอาจจะไปเกิดเป็นลูกสุนัข ก, ก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องระวัง เอาไว้ในการที่เราเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ แ, แต่ในอของลุงปู่มั่นก็มีนะท่านก็เคยเล่าเอาไว้นะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งภาวนาได้เก่งมากเลยนะปรากฏวก่ากลางคืนภาวนาแล้วจะเห็นจิตตัวเองนี่วิ่งออกไปส่งไปที่ไหนไปหาหลานสาวอยู่เป็นประจำนะก็เลยมาถามลุงปู่มั่นว่าทำไมเป็นเช่นนั้น หลวงปู่มันบอกว่าให้ใช้ปัญญาตัดกระแสจิตอ น, นั้นให้ขาดลงนะผู้หญิงนั้นก็เลยมาภาวนาใหม่พอจิตส่งกระแสไปก็เลยใช้ปัญญาตัดกระแสจิตให้ขาดลงนะเมื่อตัดกระแสจิตให้ขาดลงแล้วปรากฏว่าหลานสาวซึ่งตั้งท้องอยู่ก็เลยแท้งลูกออกมานะก็เลยเป็นที่เข้าใจว่านี่แหละจิตที่ไปผูกพันในหลานสาวนั้ น, นได้ไปก่อภบพบชาติใหม่แล้วนะ ไปก่อให้เกิดเป็นเด็กทาลกขึ้นมาใหม่ ท, ท, ทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายเลยนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยตัวเองก็ต้องตายแน่นอนแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวของตัวเองนั่นแหละนะอันนีนะ้ก็เกิดจากว่าจิตนี้ไปรักไปผูกพันในหลานสาวมากนั่นเองนะก็เลยไปประกอบภพก่อชาติ น, นั้น ท, ท, ทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่อ ง, องที่ว่าจิตนี้จะไปผูกพันกับผู้ใดอย่างไรก็ไม่ได้นะมันจะเป็น เห็นให้กอพบก่อชาติได้ง่ายๆทันทีเลยนะเราจรึงต้องระวังจิตของเราให้ดีนะในการเทว่าให้เขามีสติในการที่จะระลึกรู้ในสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจนี่แหละจิตก็จะได้ตัดพบขุมได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจิตในตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าเออจริงๆการเจริญสตินี่ก็เพื่อให้เรารู้ทันจิตนั่นเองนะรู้ทันกายและรู้ทันจิตนะ พระ น, นเมเรารู้เท่าทันจิตแล้วนะเราก็จะเห็นอาการของจิตได้ชัดเจนนะว่าการของจิตย่อมด้นลนไปตามกระแสที่มาปรุงแต่งนะในทางารูปรสกลิ่นเสียงผล ธ, ธรรมะธรรมอรม์นะก็คือการได้หลนไปในทางตาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือใจนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะ เมื่อสิ่งต่างๆก็คือผัสสะก็คือผัสสะการกระทบเกิดขึ้นกับอายณะภายในและภายนอกเกิดขึ้นนะก็เกิดเวทนาก็คือความยินดียินไล่นะเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาคือความยึดติดคือความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเกิดความยึดติดความทยานอยากก็คืออุปทานคือความยึดมั่นในตรงนั้นตามมา นะเมื่อเกิดความยึดมั่นก็เกิดพบเกิดชาตินะเกิดพบเกิดชาติก็คือความมีความเป็นนะในความปรุงแต่งเหล่านั้นตามมานะอันนี้ก็คือความปรุงแต่งในจิตนะซึ่งมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันนะในเวทนาที่เกิดขึ้นคือความยินดีความยินร้ายนะจากการกระทบอารมณ์เหล่านั้นนะเราก็ต้องวางนะวางให้เร็ววางให้ไว นะอย่าไปปรุงแต่งต่อมันก็จะได้จบนะเมื่อจบแล้วภพชาติมันก็ไม่มีนะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันอ่านะไม่ทันต่อรมนีนเกิดขึ้นไม่ทันเวทนาได้เกิดขึ้นเราก็ไปปรุงแต่งต่อแล้วนะมันก็จะนําให้เกิดภพเกิดชาติในใจเรานะอ่านะแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์ต่างๆนะอันนี้ก็คือวงจรในใจเราแต่จริงๆแล้ววงจรใหญ่ก็มีอยู่นะเมื่อเรามีวัฏฏะเราก็จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆนั่นแหละนะ จึงเป็นว่าเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจจิตเราได้เร็วนะยิ่งจิตที่มีกำลังเราจะเห็นอาการของจิตที่ไม่ปกติเกิดขึ้นนะในการที่ว่าจิตอ่านะเกิดการกระเพื่อมไปในลมต่างๆนะเกิดความยินดีร้ายไปนมต่างๆหรือเฉยๆเราก็รู้ไ ด, ได้ได้ทันได้เร็วนะเราก็จะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมในจิตเราเราก็ปล่อยวางได้นะมันก็ไม่มีการกระเพื่อมต่อนะเพราะนั้นการที่เรามาไปบัติธรรม รู้กายรู้ใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคการที่เราเห็นร่ า, างกายเคลื่อนไหวหรื อ, อเราเจริญสติโดยการยกมือบ้างเดินจงกรมบ้างหรือนอกรูปแบบต่างๆในชีวิตประจำวันต่างๆบ้างนะก็เพื่อให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นแต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเฉยๆเท่านั้นเองนะเป็นการที่แล้วเราอยู่กับความรู้สึกจริงๆไ ม, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราในตรงนั้นนะ ไม่ใช่ว่าเรากําลังยกมือนะหรือเรากําลังเดินโยงกลมแต่เมื่อทําแล้วมันจะเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเท่านั้นเองนะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นนะมันไม่มีตัวตนอยู่ในตรงนั้นนะอันนี้นะมีหน่อยเราก็พอเราเข้าใจเนี้ยมันก็วางจิตมันก็วางได้เองนะมันเข้าใจมากจิตก็วางได้มากจิตเข้าเอาเข้าใจน้อยจิตก็จะวางได้น้อยนะในการเคลื่อนไหวต่างๆนะแม้แต่ความนึกคิดต่างๆนะความนึกคิด หรือลมต่างๆเราก็เห็นว่ามันก็เป็นสักแต่ว่าความนึกคิดและเป็นอารมณ์ท่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปคิดหรือว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในรมเหล่านั้นนะมันก็เห็นว่าเขาก็มาแล้วก็ไปนะไม่ใช่เรานะเป็นเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นเองนะสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่ารมนะพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะจิตมันก็จะวางของเขาเองนะมันจะเกิดความปล่อยความวางนะไม่มีการยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราคิดนะหรือเรามีรมต่างๆเหล่านี้นะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็เตยมไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งต่างๆได้นะจากการที่ว่าเขาเข้าใจในตัวของเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยเขาก็วางในตัวของเขาเองไม่ไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆได้เองนะเพราโดยสภาพว่าความจริงแล้วนะก็คือตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะแต่การปฏิบัติธรรมก็คือให้เขา้าเข้าใจอยู่เท่านั้นเองว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในตัวในตนนั่นเองนะปฏิบัติก็เพื่อที่จะ ที่จะวางตัวตนมากกว่าที่จะไปเอาอะไรกับเขานะเพราะนั้นเทาเข้าใจในตรงนี้แล้วนะจิตมันก็จะวางได้เร็วนะแต่ถ้าเราไปบาดเพื่อที่จะให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งให้บรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งนะนั้นก็คือนะเป็นตันหานะเป็นอุทานเป็นความยึดติดนะซึ่งมันก็เป็นนะจะได้พ้นไปในหนทางหนึ่งนะซึ่งอาจจะไม่ใช่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะนั้นถ้าจิตที่เราจะพ้นทุกข์คือการที่เราปล่อยเราวางเราไม่ยึดติด ในตัวตนในสิ่งต่างได้ไหมนะนี้มันจริงเลยเป็นหนทางที่จะพ้นทุกได้ง่ายและก็ตรงกว่านะเพราะในสุดท้ายนี้นะก็ขอทุกท่านขอบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอทุกท่านได้บรรลุซึ่งการถึงธรรมที่สามารถที่จะพ้นทุกได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทิด